โคที่45ไปอยู่กับครูสอนวันที่หนุ่มเจริญย้ายจากบ้านสามกระไดไปอยู่กับครูสอนศิลปะบัลเลหลวงทาราก็ให้คุณเปี่ยมกับคุณประพ์ มาส่งถึงบ้านครูสอนที่พญาไทคุณประพน์ไม่อยากให้คนที่เป็นทั้งญาติและเพื่อนที่เขาสนิทชิดเชื้อออกไปอยู่ที่อื่นแต่เพราะเกรงใจบิดาจึงไม่กล้านวงเหนียวหรือทัดทานอีกอย่างหนึง่งเขาเห็นว่าคุณจเจริญถนัดทางดีดรีตีเปาคงจะยึดอาชีพได้อย่างน้อยก็ดีกว่าไปขี่รถเครื่องไต่ถัง ซึ่งคุณกันเชียงต้องเสียชีวิตไปคนหนึ่งแล้วหลวงทารามอบเงินให้หลานชายสิบช่างสำหรับเป็นค่าเล่าเรียนและจ่ายส่วนตัวถ้างเงินหมดก็ให้มาขอใหม่หรือไม่ก็ฝากสั่งมาทางพ่อประพน์เพราะคนทั้งสองยังต้องพบกันอีกด้วยว่าเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันคุณหญิงห่วงกับคุณสายใจไม่อยากให้หลานไป แต่เมื่อรู้ว่าประมุขของบ้านต้องการให้หลานปู่เป็นผู้รับมรดกทางดนตรีไทยจึงต้องพลอยเห็นดีเห็นงามไปด้วยส่วนลูกสาวคุณสายจิตซึ่งบัดนี้เหลืออยู่สี่สาวนั้นแทบจะพากันประท้วงเพราะชอบพอกับคุณเจริญมากกว่าคุณประพ์ซึ่งผู้เป็นไม้เบือ่อไม้เมากันมาตั้งแต่เด็กๆครนหน่มน้อยให้เหตุผลว่าเขาจะได้ ดีมีวิชาก็คงจะสบายอกสบายใจกว่าอยู่บ้านสามกระไดพวกเธอจึงยินยอมให้เข้าไปโดยเฉพาะคุณสายแก้วกับคุณสายทานนั้นรู้ดีว่าคุณเปี่ยมมีจิตฤศยาคนเจริญการไปเสียให้พ้นหูพ้นตากันก็จะเป็นผลดีกับทั้งสองฝ่ายแม่วาดและพวกสาวๆในครัวออกมาช่วยหลานชายคุณหลวงขนของลงเรือ สมบัติส่วนตัวเขามีเพียงหีบไหว้ใส่เสื้อผ้ากับหนังสือเรียนแต่ที่บ่าวไพร่ต้องช่วยกันสารวนขนลงเรือนั้นเป็นสมบัติที่ท่านประมุก ข, ของบ้านมอบเป็นมรดกแก่หลานชายคือวงปีพาดเครื่องคู่ที่ท่านเคยลั่นวาจาไว้ว่าจะยกให้หลวงทารารู้นิสัยหลานชายดีว่าถ้าลงได้ออกไปแล้วก็ยากที่จะกลับมาอยู่ด้วยอีก ตราบใดที่คุณเปียมยังอยู่ในบ้านหลังนี้ท่านคิดอย่างรอบคอบว่าตัวเองก็ชรามากแล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่อาจจะรู้ได้ถ้าท่านตายไปหลานชายก็คงไม่กล้ามาทวงสิทธิ์หรือหากว่ามาคุณเปียมก็คงไม่ยอมยกให้ง่ายๆฉะนั้นเพื่อตัดไฟตัแต่ต้นลมท่านจึงจัดการตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ ส่วนเรื่องทรัพย์สินต่างๆนั้นท่านได้จัดการแบ่งสันปันส่วนให้ลูกๆหมดทุกคนแล้วบ้านสามกระไดและทรัพย์สมบัติในบ้านตกเป็นของคุณสายใจบุตรสาวคนโตแม้ท่านจะไม่ชอบคุณเปียมนะักหากความเป็นผู้ใหญ่ทำให้ต้องวางอุเบกขาจะทำอย่างไรได้ในเมื่อเขาต้องเข้ามาเกี่ยวดองเป็นสามีบุตรสาว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 นมน้อยคลานเข้าไปกราบเท้าคุณหลวงและคุณหญิงพลางกล่าวลาแม้จะรู้สึกผูกพันท่านด้วยบุพการีหากความรู้สึกนั้นก็ไม่ลึกซึ้งเหมือนมีต่อยายอาจเป็นได้ว่าเขาอยู่กับยายมานานกว่านั่นเองโชคดีนะพ่อคุณอย่าลืมกลับมาเยี่ยมเยียนย่าบ้างคุณหญิงลูบหัวหลานชายอย่างปราณี น้ำตาไหลรินลงอาบแก้มที่เหี่ยวย่นด้วยความชราตั้งอกตั้งใจเรียนน้าหลานอย่างน้อยให้เก่งเท่าปูหรือถ้าเก่งกว่าปูก็ยิ่งดีแล้วการเรียนที่โรงเรียนก็อย่าทิ้งต้องเอาใจใส่ให้มากต่อไปจะได้เป็นเจ้าคนนายคนน้หลานนะคุณหลวงทั้งอวยพรและสอนสั่งครับ ผมจะพยายามทำตามที่คุณปู่บอกและก็จะมาเยี่ยมคุณปู่คุณย่าทุกเดือนเขาให้สัญญาขณะเดียวกันก็ให้สัญญากับตัวเองว่าจะกลับมาเยี่ยมเท่านั้นม่ใช่กลับมาอยู่กลับได้ที่บ้านสามกระได ย, ยังมีคุณเปี่ยมตัวเขาจะไม่กลับมาอยู่ที่นี่เป็นอันขาดคุณสายใจว่าจะไม่ร้องไห้หากก็อดไม่ได้ แม้พ่อจเจริญจะมาอยู่ด้วยไม่ทันถึงสองปีแต่เธอก็รักและเมตตาเขาไม่แพ้หลานสาวห้าคนที่เลี้ยงมาตั้งแต่แบ่เบาและต่อไปนี้ใครจะมาช่วยป้าทำกับข้าวใครจะตำน้ำพริกปลาระให้ป้าทานมารดาคุณประพ์พูดทั้งน้ำตาเอาให้ผมจะมาทำให้คุณป้าทานเดือนละครั้งดีไหมครับขอให้มาจริงๆเธอ ลกลัวว่าไปแล้วก็จะเริมบ้านสามกระไดเสียนะซี่เธอคาดการคุณสายใจรู้อยู่เต็มอกว่าคุณเปี่ยมสามีของเธอมีจิตรศยาและชิงชังพ่อเจริญแต่เพราะอยากให้พ่อประพ์ได้มีพ่อแม่อยู่พร้อมหน้าเหมือนเด็กอื่นจึงต้องเลือกเขาให้อยู่บ้านแทนหลานชายคนโปรด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 คุณยายสอนอย่างนั้นครับเพราะคนที่กลัวลาบากความยากมักมาถึงคุณยายพ่อจเจริญคงจะสอนเก่งสินะเรียกว่าเทศเก่งนะครับคุณป้าผมฟังคุณยายเทศทุกวันจนชินถ้าท่านเป็นพระเห็นจะได้เป็นมหาเพราะว่าเทศเก่งนี่แหละนั่นสิถ้าคุณยายเกิดมาเป็นผู้ชายป้าว่าท่านคงบวชไม่ศึกชระ แต่ก็ไม่แน่หรอกนะพระทิเทศเก่งมักจะถูกสีการนิมนต์ให้ศึกออกไปเฝ้าบ้านป้าเห็นมานักต่อนักแล้วพูดถึงพระผมยังไม่หายโกรธหลวงตาวัาตโนดเลยนะครับแล้วก็ทำให้นึกถึงบุญคุณลุงมันแท่ตั้งเขาเป็นคนดีมากลูกๆเขาทุกคนก็ดีทุกคนที่ผมประทับใจ มากก็คือความมีขันติของเขาเย็นวันหนึ่งเพื่อนบ้านชื่อในชุนมายืนด่าเปลา่ปลาๆหน้าบ้านพว ก, ล, กลูกพากันโกรธไปาตามๆกันแต่ลุงกลับห้ามว่าอย่าไปโกรธเขาไม่ใช่เรื่องของเด็กในชุนก็ท้าให้ออกไปสู้กันลุงมันก็ไม่ยอมออกไปนั่งยิ้มฟังเขาด่าอยู่ในกระท่อม ในชนถึงกับเอาหัวชนต้นมะพระ้าวเป็นการประชดในที่สุดเมียกแกก็ต้องมาลากเอาตัวกลับไปบ้านตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยเห็นใครใจเย็นเท่าลุงคนนี้ผมแอบชื่นชมในใจแล้วก็คิดว่าจะเอานิสัยแบบนี้ไปใช้บ้างจะได้ไม่ต้องมีเรื่องกับใครเจใหญ่เล่าให้ผมฟังว่าในชนแกเป็นนักเลงหัวไม้ส่วนลุงหมันเป็นนักเลงหัวหมอ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 คุณสายใจยืนส่งตรงหัวบันไดเรือกำลังจะออกเธอก็นึกขึ้นได้ว่ายัางไม่ได้เตรียมเครื่องครัวและเสบียงกลังให้หลานด้วยว่าเขาจะต้องไปหุงหากินเองจึงบอกในแรมว่าดับเครื่องก่อนฉันต้องไปเตรียมเสบียงให้พ่อเจริญแล้วก็หันไปทางแม่วาดขึ้นมาช่วยกันเตรียมเครื่องครัวให้หลานฉันหน่อยจะได้ไม่ต้องไปซื้อ หรือว่าไปหยิบยืมคนอื่นข้าวของเครื่องใช้ที่บ้านเรามีมากมายก่ายกองคุณเปียมรู้สึกไม่พอใจหากก็ไม่กล้าพูดว่ากไกรออกมาใจนั้นอยากจะให้ไปเสียพ้นเ พ, พ, พราะเจ้าหมอเนี่ยมาแย่งความรักทั้งของลูกของเมียไปจากเขา สามสินาทีต่อมาในแรมก็ติดเครื่องยนต์เรืออีกครั้งจากนั้นก็แล่นออกไปจากคลองบางแวกไปเข้าคลองบางหลวงผ่านตลาดพลูไปออกที่แม่น้ำเจ้าพริยาแล้วก็ก็ไปทางคลองเปรมประชากรซึ่งแล่นเรือเข้าออกอีกหลายคลองกว่าจะถึงพญาไทผู้โดยสารสามคนพากันนั่งเงียบคุณประพศ์ กับคุณเจริญก็ไม่คุยกันเหมือนแต่ก่อนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้านครูสอนศิลปะบัลเลงตั้งอยู่ในสวนมีเนื้อที่ประมาณสิบไร่บรรยากาศร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาชนิดส่วนใหญ่เป็นต้นหมา ก, กับต้นมะพร้าวที่เหลือก็เป็นผลไม้เช่นชมพู่มังคุดมะม่วงฝรั่งและมะยมพื้นที่ด้านทิศตะวันตก ติดลำคลองซึ่งเรือแล่นผ่านไปผ่านมาได้ส่วนตัวบ้านอยู่ลึกเข้าไปในสวนประมาณ200เมตรเมื่อเรือมาถึงสลาท่าน้ำตรงทางเข้าบ้านคนทั้งสี่จึงช่วยกันลําเลียงข้าวของขึ้นจากเรือนํามาวางไว้ให้ไกลตาผู้คนผูกเรือเปล่าไว้กับบันไดท่าน้ำช่วยกันถือคนละมือคนละไม้เดินเข้าไปยังตัวบ้าน นมน้อยได้อยู่เรือนหลังเล็กห่างจากเรือนใหญ่ประมาณสิบวาคุณประพ์กับนายแรมช่วยขนของเสร็จก็ช่วยกันจัดบ้านอย่างโลกลวกจากนั้นก็พากันกลับเมื่ออยู่คนเดียวนุมเจริญใช้เวลาในการจัดของให้เข้าที่ทำความสะอาดบ้านเสร็จแล้วก็เตรียมหุงหาอาหารมื้อเย็นซึ่งคุณสายใจได้จัดเตรียมข้าวสารและของแห้งพร้อมทั้งเครื่องครัวครบครันมาให้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 อิ่มข้าวมื้อเย็นอย่างงอยเหงาแล้วหนุ่มน้อยจึงเดินไปยังเรือนใหญ่เพื่อเรียนวิชาขึ้นครูเสร็จเรียบร้อยครูสอนก็ตอบเพลงแขกลบบุรีให้เป็นเพลงแรกรู้สึกประหลาดใจที่คนเป็นศิษย์เล่นได้อย่างถูกต้องและไพราบเพราะพริ้งไม่แพ้คนที่เป็นครูจบเพลงแขกลบบุรีครูสอนก็ต่อด้วยราตรีประดับดาวเป็นเพลงที่สอง คร้นหนุ่มน้อยเล่นได้อีกเขาจึงออกปากชมเก่งจริงพ่อนมสมกับเป็นทายาทของหลวงทาราโดยแท้ตั้งแต่ฉันมีลูกศิษย์มายังไม่เคยมีใครเล่นเก่งเท่า เ, าเธอเลยนะอย่างเพลงแขกลบุรีนี่หัดกันเป็นเดือนกว่าจะเล่นได้ไพเราะอย่างเก่งก็หนึ่งสัปดาห์เพิ่งมีเธอคนแรกที่เล่นได้ในเวลาไม่ถึงชั่วโมง ผมพอมีพื้นฐานมาบ้างครับครูก็เลยพอเล่นได้คนเป็นสิทธิ์พูดอย่างถ่อมตนแล้วเธอเคยเรียนสอนเพลงนี้มาก่อนหรือเปล่าไม่เคยครับแต่เคยได้ยินเพิ่งจะเล่นครั้งนี้เป็นครั้งแรกแสดงว่าเธอมีหัวทางนี้วันหน้าเธอจะได้เป็นนักกระนาดมือเอกเช่นเดียวกับคุณปู่ของเธอ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 ขอให้เก็บรักษาไว้ให้ดีการเป็นนักระนาดมือเอกนั้นเครื่องดนตรีก็มีส่วนช่วยเสริมด้วยนอกเหนือจากความสามารถส่วนตัวบางคนฟิมือดีแต่เครื่องดนตรีคุณภาพด้อยก็ทำให้เล่นไม่ไพเราะเท่าที่ควรเอาละเธอกลับไปพักได้พรุ่งนี้เรือออกกี่โมงครับหกโมงครึ่ง เธอมารอที่นี่ก็แล้วกันแล้วคนขับเปลือเขาจะกลับมาก่อนหรือว่ารอรับกลับตอนเย็นด้วยครับรอรับกลับตอนเย็นหนทางมันไกลกว่าจะไปจะมาเสียเวลามากเปลืองน้ํามันด้วยฉันก็เลยให้เอาผลไม้รากไม้ใส่เรือไปขายที่ปากคลองตลาดเป็นการฆ่าเวลาก็พอได้ค่าน้ํามันแล้วก็จ้างคนขับ ผมจะช่วยค่าน้ำมันด้วยครับเขาเรีบบอกด้วยไม่ชอบเอาเปรียบผู้อื่นไม่เป็นไรหรอกถึงอย่างไรฉันก็ต้องจ่ายอยู่แล้วมีเธอเพิ่มมาอีกคนก็ไม่ใช่ว่าจะเปลืองน้ำมันมากมายอะไรแต่ถ้าเธออยากจะช่วยจริงๆก็ให้ค่าขนมคนขับบ้างก็แล้วกันเขาชื่อในสุปพรุ่งนี้เธอก็จะพบกับเขาเอาละกลับไปพักผ่อนได้แล้ว หนุ่มน้อยก้มลงกราบครูสอนครั้งหนึ่งแล้วก็ลุกออกมาหนุ่มเจริญจ่ายค่าเรียนดนตรีไทยเพียงเดือนแรกเท่านั้นเดือนถัดมาคุณโกสุงภรยาครูสอนก็บอกว่าไม่ให้คิดค่าเรียนจากเขาทั้งที่สั่งหนุ่มน้อยให้มากินข้าวที่เรือนใหญ่ไม่ต้องไปเสียเวลาหุงหากินเองเช่นแต่ก่อนคุณโกสุม เกิดถูกชะตากับเขาเพราะไม่ว่าเธอจะทำอะไรเขาจะมาช่วยอยู่เสมอและเธอก็ได้เห็นอุปนิสัยที่แท้จริงของเขาที่หนักเอาเบาสู้ไม่เคยนั่งดูได้ ย, ยิ่งรู้ว่านมเจริญมีเชื้อสายผู้ลากมากดีเธอก็คิดไกลถึงขนาดอยากจะได้เป็นบุตรเขยพยายามให้แม่รัตนาได้ใกล้ชิดกับนมน้อยแต่ล้านชายหลวงทารา ก็ไม่ได้มีท่ า, าทีต่อบุตรสาวคนเล็กของเธออดรนทนไม่ไหวจึงเรียบเคียงถามในเย็นวันนึงพ่อจเจริญเห็นแม่รัตนาของฉันเป็นอย่างไรบ้างเธอก็ดีนี่ครับเป็นกุลสตรีทุกกระเบียดนิ้วญาติๆผมที่บ้านสามกระดด ย, ยังสู้เธอไม่ได้พวกเธอออกซุกซนยังกับเป็นเด็กผู้ชายเข้าหมายถึงลูกสาวของคุณสายจิต แล้เธอชอบผู้หญิงแบบไหนล่ะผมก็ชอบผู้หญิงที่เป็นลูกผู้หญิงสิครับตอบตามตรงถ้าเช่นนั้นเธอคงชอบแม่รัตนาของฉันครับผมชอบเธอมากชอบพอๆกับญาติผมที่บ้านสามกระไดฉันหมายถึงว่าชอบแบบคู่รักนะ่ะคุณโก้สูงพูดตรงไปตรงมาผมไม่บังอาจหรอกครับคุณป้า เพราะถ้าผมคิดกับเธอแบบนั้นก็เท่ากับผมเป็นคนในระคุณคุณยายสอนเสมอว่ากินบนเรือแล้วอย่าขี้รถหลังคาผมไม่กล้าคิดกับคุณรัตนาแบบนั้นและจะไม่มีวันคิดเป็นอันขาดเธอจังเป็นคนดีเหลือเกินฉันชอบเธอมากนะพ่อจเจริญแล้วก็บอกตามตรงว่าถ้าใดเธอมาเป็นเคยฉันคงนอนตายตาหลับแต่เอาเธอ ถ้าแม่รัตนาของฉันมีบุญวาสนาก็คงจะได้พบคู่ที่ดีเช่นเธอเธอต้องได้พบคนดีอย่างแน่นอนครับคุณป้าเพราะเธอดีย่อมได้พบกับคนดีด้วยกันคุณป้าอย่าห่วงเรื่องนั้นเลยครับถามจริงๆเธอทำไมพ่อจเจริญถึงไม่สนใจแม่รัตนาของฉันหรือว่าเธอมีคู่รักแล้วหนุ่มน้อยรีบตอบเสียงหนักแน่นว่า